จงฟังภิกษุจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะแสดงธรรมก็เลยแสดงธรรมพระพุทธเาจ้าเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าปุ ก, กุสาติเนี่ยได้ฌานจากการทำอนาปานสติท่านจะไม่เริ่มว่าจงรักษาศีลนะจงทาอะไรเบื้องต้นไม่เอาเลยต่อยอดเลยไม่เสียเวลาต่อยอดเลย แยกธาตุเลยเสนนธรรม ท, ท่านนะแยกธาตุเลยใครถึงขั้นนี้แล้วบ้างคือเดินปัญญาเลยแยกธาตุแยกขันธ์เลยแต่ท่านปุกุสาตติเนี่ยเดินมาทางสมถะก่อนท่านก็ให้แยกธาตุแต่ถ้าทางมาทางดูจิตก็จะให้แยกขันธ์แต่ปุกุสาตติกุลบุตรเนี่ยมาทางทำฌานมาก่อนท่านก็แสดงแยกธาตุแยกธาตุหธาตุ มีอะไรบ้างหกธาตุไล่ได้ไหมธาตุดินธาตน้ำธาตุไฟธาตุลมไล่อีกะตรงนี้จะยากแล้วใช่ไหมอากาศธาตุอากาศธาตุาาาาาารู้จักไหมคือช่องว่างสเปซร่างกายเราเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอัดแน่นไปด้วยดินน้ำลมไฟนะมันกลวงมันกลวงนะถ้า เข้าเครื่องบีบอัดน่าจะเหลือก้อนนิดเดียวอเคยลองเข้าไปไหม <laughs> มันมีช่องว่างแม้แต่ในกระดูกก็กลวงลงงโพรเนี่ยท่อเข้าไปเนี่ยนะท่อน้ำเนี่ยกินน้ำเข้าไปเนี่ยน้ำผ่านก็ไมได้เพราะว่ามันมีอากาศสัทธามีช่องว่างอาหารผ่านก็ไปได้เพราะว่ามันมีช่องว่างมันขับเคลื่อนลงไปถ่ายออกมาทั้งวานทั้งหลายเพราะมีช่องว่างมีช่องว่างมีอากาศสาัทธาแทรกอยู่ ในกายนี้คือวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุคือธาตุรู้พระองค์ก็สอนคนเรานี่นะมีธาตุหธาตุมีอะไรดินน้ำลมไฟอากาศทธาตุคือที่ว่างแล้วก็วิญญาณธาตุคือธาตุรู้มีธาตุหธาตุแล้ว ก็ยังมีช่องทางที่เสพเซเวยโลกอีก6ช่องทางาภาษาพระเรียกว่าอาญาตนะเคยได้ยินไหมตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจสังเกตดูนะเวลาท่านแสดงธรรมให้กับผู้ที่ได้ฌานมาก่อ น, นท่านจะแสดงในส่วนที่ว่าแยกย่อยในส่วนของกายมากกว่าธาตุก็เป็นกายซะเท่าไรหร่เหลือเป็นนามธรรมาคืออันเดียว คือวิญญาณธาตุพอให้มาดูกายก็แยกธาตแุแยกเป็นอาญัตนหกอาญตนหกเนี่ยเป็นกายสห้นะเป็นส่วนของรูปธรรมสห์ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นนามธรรมอันเดียวคือใจแล้วก็บอกว่ามีธ ร, รมที่เป็นที่หน่วงของใจ ทำที่เป็นที่หน่วงของใจอีก18บแปฟังตัวเรกแล้วจะเพิ่งตกใจทำที่หน่วงของใจคือเวลาเห็นอะไรแล้วมีจิตโสมนัสรู้จักโสมนัสไหมชื่อวัดหรือเปล่าไม่ใช่โสมนัสคือดีใจนะโสมนัสแล้วก็มีโทมนัตแล้วก็มีอุเบกขาอุเบกขาจะเรียกว่าเป็นอุทุกขกรรมสุขก็ได้อ่คือเฉยเฉย ไม่ทุกไม่สุขโสมรัสคือเป็นสุขโทมรัตคือเป็นทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์เวลาดูก็จะมีเป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีเวลาฟังก็เหมือนกันหกคูณได้เท่าไหร่18อยากไหมไม่ยากใช่ไหมอันนี้ไม่ยากแล้วนะดูฟังดมลิ้มรสสัมผัสและคิดนึกทั้งหกทางเนี่ย ก็เป็นไปได้ที่จะมีเวทนาอีก3อย่างนะเป็นทุกข์เป็นสุขไม่ทุกข์ไม่สุขคือเฉยๆนะสแสดงทำสา3หมวดแล้วนะมชุดแล้วนะแล้วก็บอกว่าถ้าจะให้พ้นทุกข์เนี่ยควรมีอธิษฐานทำควรมีธรรมที่ตั้งไว้ในใจอธิษฐานเพ่ใจะขอนะเจ้าพระคุณขอให้ถูกหวยอันนี้ไม่ใช่อธิษฐาน อธิษฐานคือทมที่ควรตั้งไว้ในใจมีอยู่4อย่างมีปัญญาในควรอธิษฐานเอาไว้นะแล้วก็มีสัจจะแล้วก็มีจาคะแลวก็อุปัสสมะอุปัสสมะคือความสงบจะใช้คำอีกคำว่าสันติก็ได้มุ่งถึงหมายถึงพระนิพพานปัญญาอะไรอีกสัจจะและอีก จาคอุปาสม a ท่านก็บอกพอมาถึงแสดงถึงหมวดอธิษฐานธรรมแล้วนะท่านก็แจกแจงอธิษฐานธรรมปัญญาทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าได้อธิษฐานธรรมในข้อปัญญาจะอธิษฐานธรรมในข้อปัญญาเนี่ยให้ไม่ประมาทในปัญญาอย่างไรจึงจะเรียกว่าไม่ประมาทในในปัญญาก็ต้องมา แยกธาตุนี่วิธีการสอนของพระพุทธเจ้านะแจกแจกหัวข้อก่อนแล้วมาถึงข้อที่ควรทําแล้วก็มาย้อนคล้ายๆกับว่าไอ้ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยจะมาแจกรายละเอียดท่านก็แจกเลยว่าธาตุดินเป็นอะไรบ้างคือธาตุดินคือธาตุที่เป็นแค่นแ่นแข็งมีแข็งก็มีอ่อนดินคือธาตุที่แสดงความแข็งหรือความอ่อนธาตุดินมาก จะแข็งถ้าดินน้อยจะอ่อนหรือจะนุ่มนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยดินมากตรงเนี้ยดินน้อยตรงกระโดกเนียดินมากตรงอุ้งมือเนี่ยดินน้อยมันเลยนุ่มตรงแก้มเนี้ยดินน้อยตรงติ่งหัวเนี่ยดินน้อยถ้าตรงหายปลาหายปลาเนี่ยดินมากถ้าตัวปลาเองเนี้ยดินน้อย <c oughs> ธาตุน้ำธาตุน้ำคือเอิบอาบซึมซ่านคือเป็นการดึงดูดของโมเลกุลธาตุไฟคือความร้อนหรือความเย็นไฟมากก็ร้อนมากไฟน้อยก็เย็นธาตุาลมคือความไหวความไหวถ้าลมมากความไหวก็คล่องตัวถ้าลมน้อยมันก็อันอันนิ่งนิ่งเวลาเรา รู้สึกปวดเมื่อยเส้นตึงเนี่ยนะลมมันอั้น <c oughs> ก็ต้องไปจับเส้นให้ลมมันเดิน <c oughs> พอลมมันเดินแล้วก็โอ้สบายตัวธาตุลมลมมันไหวผ่านได้ดูธาตุทั้งสี่นี่แล้วก็มาดูธาตุที่หคืออากาศธาตุอากาศธาตุคือช่องว่างต่างๆในร่างกายแล้วมาถึงธาตุสุดท้าย ที่ท่านพาดูกายนะเราเรียนหลักมาแล้วนะคงเคยฟังธรรมะนะที่ว่ามาทั้งหมดคือดูกายแล้วก็มาข้อสุดท้ายมาดูจิตพระพุทธเจ้านะพาปุกุสาติดูจิตดูวิญญาณนะธาตุวิญญาณนธาตุคือธาตุที่รู้อารมณ์เป็นนามธรรมรู้อารมณ์รู้ยังไงรู้อารมณ์รู้ยังไง รู้ผ่านอารยตนะทั้ง6ดูสิการร้อยเรียงของพระ เ, เจ้านะธรรมะที่ร้อยเรียงเนี่ยมันประสานกันเลยนะจากธาตุหแล้วก็มาต่ออารยตระณะกลืนกันสนิทมากเลยวิญญาณธาตุดูยังไงวิญญาณก็ออกรับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนี่คือศึกษาเรื่องวิญญาณธาตุคือธาตุที่รู้อารมณ์ รู้อารมณ์แล้วเป็นยังไงรู้อารมณ์แล้วถ้าศึกษาตรงนี้จะรู้ว่ามันมีที่หน่วงของจิตอีก18อย่างนี่ดูสิแสดงทําหัวข้อไปแล้วนะคราวนี้ลงลึลกในรายละเอียดยมันจะร้อยเรียงเ ป, เ, ปเป็นธรรมะต่อเนื่องกันเลยตาดูหูฟังจมูกได้กลิน่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจรับรู้ธรรมารมแล้วบางทีก็ทุกมีความทุกมีทุกเขเวทนา ท่านเอาทุกข์ขึ้นก่อนนะเพราะทุกข์เห็นง่ายบางทีก็มีทุกข์วเทนนาบางทีพอมีสติรู้ทุกข์วเทานนั้นแล้วทุกข์ดับหรือดูไปแล้วทุกข์นั้นไม่เที่ยงมันดับไปเองก็เกิดเป็นสุขจากทุกข์อยู่แล้วทุกข์ดับไปกลายเป็นสุขสุขดูไปดูไปเห็นสุขด้วยความเป็นกลาง จะเกิดรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์พอดูความไม่สุขไม่ทุกข์แล้วจะเกิดอุเบกขาเกิดอุเบกขาทางใจเห็นเวทานาเห็นเวทนาทั้งหลายสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยเฉยก็ไม่เที่ยงแล้วก็เลยอุเบกขากับเวทนาทั้งหลายเพออุเบกขาแล้วน้อมอุเบกขานี้ไปในความว่างว่าง อากาศานญจายาตะนะนี่ต่อยอดเลยนะต่อยอดจากการแยกขันแล้วเนี่ยพระรูจาก็ต่อยอดเพราะว่าปุกุสาติกุลบุตรเนี่ยทำฌานได้สรูปฌานพระรูจาก็บอกต่อให้ทำอรูปฌานทำอากาศานัญจายาตะนะน้อมอุเบกขานั้นไปในความว่างดูความว่างเฉยๆวเวลาเราอยู่ดูคนดูจิตเนี่ยจะเป็นอย่างไงนะ ดูแล้วมันจะไปว่างๆธรรมดาแต่มันไม่เฉยมันชอบ <laughs> ไม่ชอบสุขสบายแต่พระเจ้าบอกให้ดูเริ่มจากเวทนาที่เป็นทุกข์แล้วมาดูสุขแล้วก็ดูความเฉยเฉยน้อมอุเบกขานั้นไปในความว่างความว่างนี้จะได้อะรูปฌานถ้ายินดีอยู่ในที่นี้จะเป็นอะรูปปภมมีอายุสองหมืกับ ไม่จะปีนะกลับนานไหมเราร้องเฮ้อเลยดังนั้นเวลาใครไปติดในตัวนี้นะครูบาอาจารย์ยังบอกว่าออกมาออกมาเสียเวลาพระพุทธเจ้าอุบัติมาไม่รู้กี่พระองค์แล้วเรายังไปไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่มีหูไม่มีตาไม่ได้ฟังอะไรธรรมะไม่ได้ยินท่านก็บอกต่อยอดปกุสาสติอบอกว่า อยู่ตรงนี้ก็ดีแต่ถ้าย้อนมาดูตัวรู้ย้อนมา ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดูตัวรู้นะจะเข้าสู่อรูปฌานอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าวิญญาณัญจายาตนะมีวิญญาณนะเป็นอนันต์เห็นตัวรู้เป็นต่อๆๆเป็นอนันต์ไดอรูปฌานที่สองถ้าพอใจอยู่ที่นี่จะมีอายุ4ี่หมื่นกับ หนักก็ไปอีกแต่ตอนนั้นปุกุสสติยินดียินดีโอ้ดีกว่าดีกว่ามาอยู่วิญญาณอาจารย์ยตนะวิญญาณอาจารย์ยตนะมันก็ยังมีมีที่หมายบางท่านก็จะน้อมไปในความไม่มีอะไรก็เรียกว่าเป็นอากินจัญญายาตนะอากินจัญาญายตนะ ถ้านพอใจที่นี่จะมีอายุถึงหกมื่นกับปุกุสาตติก็ไม่เอาวิญญาณจารย์ยตนะไม่เอาเอาอันนี้พระเจา้าเขบอกว่านั่นก็ยังสู้เนวสัญญานาสัญญายาตนะไม่ได้น้อมไปว่าสัญญาน้อยนิดๆเลยนิดๆแทบจะไม่มีสัญญาถ้าอยู่ที่นี่จะมีอายุ 84,000 พกับุู苦ุสติก็พอใจตรงนี้อีกแล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยยังปรุงแต่งอยู่นะยังเป็นภพนะเคยได้ยินไหมครูบาอาจารย์เวลาเวลาตรวจกันบ้านเราจะบอกนี่เป็นภพบพหนึ่งนะยังยังไม่ใช่หลุดพ้นนะพระเจ้าเนี่ยพาปุก苦ุสติเหมือนมาดูสมบัตินะมาดูสมบัติที่แรกทาฌานสี่ได้นะ ยังมีอีกนะยังมีอรูปฌานนะยังมีอรูปฌาข น, น, นขั้นนั้นขั้นนั้นั้นจนถึงสุดท้ายแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่เลยนะยังแบบเป็นเหมือนกับว่าจะให้รางวัลอำมาตย์สักคนหนึ่งเนี่ยให้ไปเป็นหัวหน้าหมู่บ้านทีแรกได้ฌานสีเนี่ยมันเหมือนเป็นหัวหน้าหมู่บ้านบอกหัวหน้าหมู่บ้านนี่ยังกระจอกต้องมาเป็นผู้ว่าเป็นผู้ว่า ว่าจังหวัดเลยก็เหมือนว่าให้มาดูอรูปชาญพอมาดูเป็นผู้ว่าแล้วจังหวัดท่านเนี่ยนะตอนนี้กําลังมีโรคระบาดอหฮวาตอกาโร ก, กําลังระบาดอยู่นะไปเนี่ยก็ไปลําบากนะให้มาครองประเทศโน้นดีกว่าเป็นพระราชาประเทศโน้นดีกว่าท่านหมายถึงว่าให้มาดูว่าที่พามาดูทั้งหมดเนี่ย ยังเป็นการปรุงแต่งภาษาพราะเรียกว่าสังคตะธรรมเคยได้ยินไหมสังคตะธรรมแปลว่าธรรมะที่ยังปรุงแต่งอยู่คู่กับอสังคตะธรรมธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งไปดูเลยภิกษุ ด, ดูเลยว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงมาตั้งตั้งแต่ว่าดูเวทนานั่นแหละตั้งแต่ดูธาตุดูเวทนาดู รูปฌานก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงยูนะเห็นไหมเมื่อกี้นี้ยังพอใจในอากาสารัญจายตนาะอากาสารัญจารยตนาะดับไปแล้วเห็นไหมมาพอใจวิญญาณัญจารยัตนะแล้วก็ดับไปอีกมาดูสิมาถึงอากินจัญ ญ, ญจาจตนะแล้วก็มาถึงสุดท้ายเนี่ยตอนนี้แล้วตอนนี้ก็ไม่พอใจแล้วเห็นไหมเห็นไหมว่ามันเกิดดับเนะกิดดับนะพระกุศสติเขาฟังเห็นเห็นโทษเห็นภยัยแล้วพระเจ้าก็แสดง ถึงธรรมที่ไม่ไม่ปรุงแต่งเห็นโทษภัยของความปรุงแต่งทั้งหลายจึงจะเห็นความไม่ปรุงแต่งคือพระนิพพานถ้ารู้พระนิพพานแล้วก็จบจบพรหมจรรย์ไม่เกิดอีกพระเจ้าแสดงธรรมไะจนถึงว่าให้ถึงพระอระหันต์เลยแต่ปุกุสาติเนี่ยบรรลุแค่อนาคามีบรรลุแค่อนาคามีพอบรรลุแล้วก็ รู้เลยองค์ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยพระพุทธเจ้าแล้วเวลาก็พอดีเลยเวลาพอดีมากเลยนะแสดงทำจบตรงนี้นะอารุณ์พอดีดูฉากฉากเหมาะมากเลยนะสว่างใจก็สว่างนะโล ก, กนี่ก็สว่างแล้วพระพุทธเจ้าก็เปิดรัศมีฉับพันรังสีพอดีประจวบเหมาะมากเลย ปุกุสาติเลยขอกราบขอเข้ามาบอกตอนที่พระองค์เข้ามาก็หมอมฉันไม่ไม่รู้จักเรียกพระองค์ว่าอาบุโสเวลาถามว่าตรงนี้ขอพักได้ไหมเชิญเลยอาบุโสรคล้ายๆกับว่าพูดกับเพื่อน mm hmm. เชิญเลยอาบุโสเราไม่หวงก็หมอมชันขอกราบขอเข้ามาในความล่วงเกินอันนั้ น, น, นความละเอียดของของปุกุสาตินะ ขอเข้ามาในความล่วงเกินอันนั้นอย่าให้เป็นโทษเป็นภัยขอพระองค์จงยกโทษให้กระหม่อมชันด้วยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าโทษที่เคยล่วงเกินแล้วระลึกได้นะโทษที่เคยล่วงเกินแล้วระลึกได้และกล่าวคําขอเข้ามาเราก็ยกโทษอันนั้นให้กับท่านให้กับเธอให้กับเธอตอนนี้แบบยุบ เต็มฟอร์มของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ไม่มาเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นพระภิกษุปกติละเราก็ยกโทษ น, น, นะให้กับให้กับเธอเห็นเห็นรายละเอีย e ดตรงนี้ไหมเห็นโทษแล้วไปขอเข้ามาไม่ใช่เห็นเขาขอมาขอด้วยแต่ครูก็ไม่รู้ว่ากูผิดอะไรเห็นเขาข อ, ขอมาตามไปขอด้วยคงจะดีคงจะดีะดอะไรเงี้ย มันต้องจากการที่เฮ้ยที่เราทำไปนั้นมันเป็นโทษนะมันไม่เหมาะสมนะเป็นกระด้างกระเดื่องนะเคยไหมเคยกระด้างกระเดื่องกับพ่อแม่ไหมเคยแวดแวดใส่พ่อแม่ไหมแล้วเห็นโทษเห็นภัยอันนั้นไหมถ้าเห็นโทษแล้วไปขอขอมาใช่ได้ถ้าไม่เห็นโทษนะไปขอขอมานะแม่ก็จับได้ไอ้นี่มันว่าแต่ปากมันไม่ออกจากใจ แต่ปุกุสาติเนี่ยออกจากใจเลยแม้แต่คําพูดไม่ได้กระด้างกระเดืองอะไรเลยนะว่าไม่รู้จักอะ่ะก็เหมือนหลวงพี่องค์หนึ่งมาถึงก็ขอพักด้วยก็ให้พักเทานั้นเองแต่คำเนี่ยนะ่ะถ้าเป็นถ้ารู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้านะจะต้องใช้คําอีกคำหนึ่งคือใช้คําว่าพันเตแต่นี่ใช้ไปคําว่าอาวุโสอาวุโสเหมือนกันเรียกเพื่อนกันหรือเรียกผู้ที่อ่อนกว่าถ้าใช้ให้คําให้ถูกก็ต้องเรียกพันเตพัคขวา ขอขออภัยขอเข้ามาพระเจ้าก็ยกโทษให้พอยกโทษโทษก็หลุดออกไปภาษาไทยนะยกโทษคือยกออกไปเวลามีโทษมันหนักขอให้ท่านยกโทษนี้ให้ด้วยเพราะท่านให้อภัยคือเหมือนยกโทษออกไปมันก็เบาแต่บางคนไม่กล้าขอโทษก็แบกโทษต่อไปมีโทษอยู่นะโทษมีอยู่ก็แบกโทษต่อไปถ้าไปขอโทษซะโทษก็หลุดออกไปด้วยที่ว่าเขายกโทษให้ ขอโทษคำว่าขอโทษเนี่ยไม่ขอให้โทษเอามานะขอให้ท่านยกโทษให้แต่คำมันย่อกลายเป็นขอโทษจริงๆก็คือให้ยาวๆหน่อยก็ขอให้ท่านยกโทษนี้ให้ด้วยแล้วก็เขารับที่จะยกโทษให้คือให้อภัยวันนี้เล่านิทานอย่างเดียวเลยเนาะแต่นิทานนี้นะธรรมะไม่ธรรมดานะธรรมะตรงนี้เนี่ย พระเจ้าสอนเรื่องแยกธาตุสำหรับคนที่เจริญอาณาปานาสติมาใครเจริญอาณาปานาสติมาเนี่ยให้แยกธาตุเวลาแยกธาตุให้แยกอย่างนี้นะกายนี้มีธาตุดินน้ำลมไฟและอากาศธาตุแล้วก็ไม่ใช่มีแค่กายนะชีวิตนี้ไม่ได้มีแต่กายอย่างเดียวมันมีนมามธรรม มีจิตด้วยก็มาดูวิญญาณธาตุดูกายเพื่อให้เห็นจิตปุกุสาติเนี่ยพอตอนท้ายเนี่ยมาดูจิตพอบรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วขอบวชนิทานยังไม่จบนะเนี่ยขอบวชพระเจ้าบอกเธอมีบาตรจีวรครบเลยหรื อ, อ ย, ยังยังยังเนง่บวชไม่ได้ต้องให้ครบก่อนนั่นก็ขอไปขอไปหา กราบลาไปเพื่อหาบริขารให้ครบพอพระพุทธเจ้าเปล่งรัศมีประจาจนทั้งหลายก็รู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองเหมือนเล่นซ่อนหาอยู่นันอยู่ตรงนี้เองจอดจันทร์กันไปถึงในวังพระเจ้ารย์วิษณ์ก็เลยมาเข้าเฝ้าเอาพระองค์มาทําไมมาโปรดสหายของพระองค์นั่นแหละรู้ไหมว่าสหายของพระองค์เนี่ยอ่านสารของพระองค์แล้ว สละราชสมบัติออกบวชเดินดิฟบาทเปล่ามาเกือบสองร้อยโยชนี่มาถึงตรงนี้แล้วเราแสดงทําให้เขาฟังแล้วเขาจะขอบวชแต่บริขารไม่พอกำลังไปหาบริขารให้ครบอยู่เหรอไปเลยสั่งคนเลยนะไปหาเลยอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราจะถวายบริขาร น, นี่เราจะถวายบริขารเพื่อนเราเพื่อนเราออกบวชแล้วดีใจมากนะไม่เคยเจอหน้ากันเลยแต่โ้ยวันนี้จะได้เจอ ที่ไหนได้คนมาบอกแล้วพระองคพ์พระสหายของพระองค์ถูกบัวควิดตายอยู่ที่ท่าน้ำแต่ผ่องใสามากเลยศพเนี่ยนะถ้าเป็นศพทั่วไปก็แบบเละเทะเลยเพราะถูกบัวควิดตายแต่ผูคุสาติเพื่อนของพระพระสหายของพระองค์เนี่ยผ่องใสามากเลยไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่า ความมอมแมมนะก็มีอยู่นะความมอมแมมจากการเปือเป้อนฝุ่นเปื้อนเปื้อนสิ่งสกรปรกทั้งหลายเพราะเดินทางมาตลอดเนี่ยคงจะไม่ค่อยได้อาบน้ําเท่าไหร่แล้วนะแล้วแถมถูกวัวขิดที่กองขยะไปหาผ้าที่กองขยะผ้าผ้าอะไรบางสุกุลไม่เข้าวังด้วยนะไม่ไม่กลางเข้าไปว่าเฮ้ยเพื่อนเราเป็นพระราชาเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนอะไรไม่เอาเลยนะ ไปด้วยใจของพระเลยนะว่าเราจะไปหาผ้าบางสุกุลไม่ไม่อ้างสิทธิ์ไม่อ้างสิทธทิพิเศษอะไรเลยไม่อ้างตั้งแต่แรกแล้วนะออกมาจากวังก็เดินเท้าเปล่ามาโดนวัวขิดตายพระพุทธเจ้าขากลับเนี่ยเหาะไปแล้ว <c oughs> ขากลับเนี่ยเหาะกับเชตาวันพระจารย์มีพิาพสารพอทราบข่าวว่าเพื่อนตายพระสหายสิ้นพชนก็ เสียใจมากแนะละร้องศพหน้าศพหน้ากับกับศพเลยนะสั่งทุกคนคือแม้จะออกบวชแล้วแต่ยังไม่ผ่านพิธีอุปสมบทนะก็พระเจ้าพิษสานก็ตีค่าเลยว่ายังเป็นคาราวายังเป็นคาราวานะสั่งคนส่งน้ำศพจัดแต่งชุดเป็นพระราชาท ำ, ทำพิธีศพแบบพระราชา แต่ปุกุสาติเนี่ยนะพอสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยไปเกิดอยู่ในพรหมโลกเพราะเป็นพระอนาคามีเนี่ยนะได้ฌานพอตายจากชาตินี้แล้วก็จะต้องไปเป็นพระพรหมอย่างเดียวพอเป็นพระพรหมเลยรู้ว่าเฮ้ยเรายังไม่หมดไอท้ทีแรกนึกว่าหมดนึกว่าหมดแล้วเคยได้ยินไหมที่ว่าอะไรบางที เข้าใจว่าจบแล้วเข้าใจว่าจบแล้วแต่ยังไม่จบเฮ้ยยังเกิดอยู่เห็นความเกิดเห็นว่าตัวเองเวลาตายจากตัวนั้นแล้วมันเกิดใหม่นะนะเห็นความเกิดนี่อา น, นิสงส์จากการที่พระพุทธเจ้าสอนดูจิตเห็นว่ามีการเกิดขึ้นมาถ้าดูกายนะ้วก็เห็นกายแล้วพอใจไปก่อนนะแล้วค่อยๆรู้ว่าแท้จริงแล้วกายแห่งความเป็นพรมนี่ก็ยังยังยังเป็นการปรุงแต่งอยู่แต่นี้ เพราะพระพุทธเจ้าสอนดูจิตก่อนเห็นเลยว่าเฮ้ยยังมีการปรุงแต่งอยู่พุทธเจ้าก็สอนมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่ารูปปัจจานทั้งหลายตั้งแต่อากาสารันจายตระมันเนี่ยยังปรุงแต่งอยู่นะเฮ้ยเรื่องนี้ก็ยังปรุงแต่งอยู่อีกเห็นตรงนี้พอเห็นว่ามันยังปรุงแต่งอยู่เลยเป็นพระอาหารหันต์ตั้งแต่ตอนอุบัติขึ้นเป็นพระพรหมนั้นเลยอุบัติขึ้นปุ๊บเป็นพระอาหารหันต์เลยเป็นอย่างนี้อยู่ไม่กี่องค์ ในในพุทธประวัติในในใ น, ในภาคคำพีนะเป็นอย่างนี้ยุงไม่กี่องค์โดยมากแล้วไปเป็นอยู่ระยะหนึ่งแล้วค่อยมาระลึกได้ว่าเออเรายังเกิดอยู่ในว่าอะไรประมาณอย่างนี้นะแต่นี่พออุบัติปุ๊บฮะยังเกิดอยู่อีกเหรออย่างงี้เลยนะยังเกิดอยู่อีกเหรออ้าวยังไม่จบแล้วก็ทําให้จบตรงนั้นเลยเป็นพระภรหมที่เป็นพระอาหารหันต์ตอนนี้ถ้าจะกราบพระปกุสาติก็คือกราบพระอาหารหันต์แล้วนะ ระลึลกถึงพระเจ้าปุกุสาติที่ออกบวชระลึลกถึงพระองค์กราบได้กราบพระหลานนะ <laughs>